ดีๆชี้ทางบรรเทาทุกข์บรรลุซึ่งซึ่งปัญญาในสันสนีสนทนา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 สวัสดีปีใหม่ค่ะท่านฟังที่รบคะ่ะวันนี้พูดได้เต็มปากเต็มคําขอพูดอีกครั้งแล้วกันนะคะเพื่อเป็นการแสดงความยินดีกับปีใหม่ที่มาถึงสวัสดีปีใหม่ค่ะท่านฟังวันที่หนึ่งมกราคม2553มาถึงแล้วเราเริ่มต้นวันใหม่กันมาหลายชั่วโมงแล้วนะคะแล้วเราก็จะต้องอยู่ในปีนี้ไปอีก3ามหห้าวัน วันนี้คงจะได้ยินเพลงเพลงหนึ่งที่เปิดกันเยอะทีเดียวนะคะในประเทศไทยแต่งมานานแล้วโดยครูแก้วอัจฉริยกุลเขียนคำร้องครูเอื้อสุนทรสนานเป็นคนที่แต่งทำนอง60กว่าปีคืออายุของเพลงนี้คุณสุภาสิริสุพันณเพศทัต์ท่านมาเขียนบทความอาไว้ในหนังสือพิมพ์มติชนเมื่อวันก่อนที่ผ่านมานะคะบอกว่าช่างสอดรับกับสถานการณ์ปัจจุบันของเมืองไทย จริงๆดิฉันจะอ่านเนื้อเพลงเพื่อที่จะให้ท่านฟังทุกท่านได้คิดใคล้ครวนไปตามเนื้อเพลงอยู่ว่าสวัสดีปีใหม่แล้วพ้องไทยจงแคล้วปวงไพ่ช่วยกันรับขวัญปีใหม่ทะเหลืองหรือไทยไว้มั่นสุขสีปีใหม่หมายสุขใจและกายรวมกัน สำราญสำเริงบันเทิงมั่นสุขสัรยิ้มกันไว้ก่อนมาถึงท่อนสำคัญนะคะสิ่งที่ล่วงแล้วให้แล้วกันไปอย่าได้ผูกใจอาวรจับมือกันไว้อวยชัยอวยพรสุขสมูสอนเริงรมความพลั้งพลาดล่วงเกินอย่าหมางเมินระทม ร่วมน้ำใจให้เกลียวกลมจงถืออารมณ์อภัยและก็มาถึงท่อนสุดท้ายที่ก็สำคัญเช่นเดียวกันว่าสุขแย้มยิ้มยินดีปรีเปรมสุขกเกษมเปรมใจเรามาตั้งต้นชีวิตกันใหม่เราผูกใจไว้ใหม่ตรี ประสานน้ำใจเราไม่ให้ระคางตั้งต้นทุกทางอย่างดีมารักกันให้คงมั่นทวีช่วยกันรับปีใหม่เอ่ยคำว่าระคางผู้เขียนก็ได้อธิบายไว้ด้วยว่าเป็นคำไทยใกล้ศูนย์พันมีความหมายว่าหมางใจมองใจหรือเคืองใจประสานน้ำใจเราไม่ให้ระคางไม่ฉันเองก็ทั้งฝังทั้งร้องเพลงนี้ ไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้งแต่ว่าไม่เคยสังเกตเนื้อเพลงเลยนะคะแล้วพอคุณสุภาสิริมาชี้ให้เห็นว่าแหมมันเหมือนสถานการณ์เมืองไทยจริงๆเลยดิฉันฟังแล้วก็มีความรู้สึกว่าคล้อยตามกับที่บอกว่าครูแก้วเหมือนกับจะมองเห็นอนาคตมาถึงวันนี้ในวันที่แต่งเพลงเมื่อหกสิบปีก่อน mm hmm. เพลงนี้ก็จึงน้าที่จะ mm hmm. ทาให้เราคิดกัน ได้บ้างนะคะว่าไอแนวทางของการที่จะอยู่กันอย่างรักใคร่กลมเกลียวสามคัคคีที่จะทําให้เราฝ่าฟันปัญหาอุปสรรคไปพร้อมๆกันได้เนี่ยมันก็ต้องมีการอภัยกันได้นะคะพลั้งพลาดล่วงเกินกันยังไงส่วนอื่นนี่ฉันเข้าใจว่าท่านฟังคงคิดออกนะคะว่าอ่าเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยฉัน อ่านให้ฟังเพียงเท่านี้ก็แล้วกันด้วยความคิดเหมือนกับผู้ฟังทุกๆคนละนะคะที่มีความหวังว่าอยากจะให้เราอยู่บนพื้นแผ่นดินนี้กันอย่างมีความสุขอย่างแท้จริงนะคะรายการที่คุณกำลังฟังอยู่ในขณะนี้รายการสันสนีสนธนาดำเนินรายการโดยดิฉันสันสนีนาคพง์ทางสถานีวิทยุครอบครัวข่าว FM 1เ6คะ่ะวันนี้ก็เป็นอีกวันที่ต้องบอกว่าพิเศษแล้วพระมาชาคาวโร ซึ่งจะมาพบกับท่านฟังเป็นประจำในทุกวันพระหั ส, สมบูรและวันศุกร์นะคะท่านก็ได้เตรียมพระสูตรพิเศษไว้เช่นเดียวกันสักครู่ไปพบกับท่านค่ะสัญหาเรื่องราวดีๆชี้ทางบรรเทาทุกข์บรรลุซึงซ่งซึ่งปัญญาในสันสนีสนทนาถามโลกตอบา ค่ท่านฟังคะ่ะได้เวลาที่เราจะมารับฟังพุทธวจนะธรรมวินัยจากพุทธโอษจากพระสูตรที่พระมาร์ชาเขาวโรวัดนาปะพงลำลูกกาคลองสิทธิ์ได้คัดเลือกออกมาให้คะ่ะน้มสักการณ์คะ่ะท่านคะ่ะเจริญพรวันนี้จะใช้วิธีแบบเมื่อวานไหมคะใช่พิเศษสองวันจะให้ฟังพระสูตรล้วนๆเพราะท่านมา บ, บอกว่า ถ้าเราฟังแบบมีสมาธิคือท่านอยากให้เราเนี่ยอยู่กับลมหายใจด้วยใช่ไหมคะใช่อาจารยม้มองว่าการที่เราฟังคําตรัสสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยโดยที่อาจจะนั่งสมาธิไปพร้อมๆกันเนี่ยเราจะได้ความซาบซึ้งในในธรรมะของพระพุทธองค์ได้มากขึ้นค่ะท่านมารคงผ่านกระบวนการอ่านด้วยการทําสมาธิไปด้วยอย่างนั้นหรือเปล่าคะเออคือจะบอกว่าหลับตาไปอ่านไปก็คงไม่ใช่แต่ว่าบางทีเรา ทำทำจิตให้สงบลงสักพักสักแป๊บหนึ่งก่อนแล้วก็มาค่อยๆนั่งอ่านบัญชาเราจะรู้สึกว่าเข้าใจได้ค่ะคือเหมือนกับว่าต้องใช้สมาธิจดจ่อเพื่อที่จะได้ทราบซึ้งในถ้อยคำและเข้าถึงธรรมที่พระพุทธองค์มีพุทธประสงค์นะคะเพราะนั้นก็อย่ารอช้าเลยนะคะวันนี้เป็นวันปีใหม่เราก็มารับสิริมงคลจากพุทธวจนะที่ท่านมารคาวโรเลือกมาให้ค่ะนิมนต์กัท่านค่ะ วันนี้ก็จะอ่านประสูติให้ฟังโดยต่อเนื่องกันเลยโดยไม่มีการอธิบายสำหรับผู้ที่พร้อมที่จะฟังไปพร้อมกับการทำสมาธิหรือว่าทำจิตใจให้จดจ่อตั้งมั่นก็ฟังไปพร้อมๆกันได้เลยพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายตถาคตเกิดขึ้นในโลกนี้เป็นพระอรหันต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 สุขทั้งหลายแตถาคตนั้นได้ทำให้แจ้งซึ่งโลกนี้กับทั้งเทวดามารพรมซึ่งหมู่สัตว์กับทั้งสมณะพราหมณ์พร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์ด้วยปัญญาอันยิ่งเองแล้วประกาศให้ผู้อื่นรู้แจ้งตาม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 เป็นอรหันตะสัมมาสัมพุท ธ, ธะและทรรมวินัยที่ตถาคตรประกาศแล้วก็ไม่ต้องรุ่งเรืองไปในโลกธรรมชาติสามอย่างนั้นคืออะไรเล่าคือชาติชราและมรณะเป็กสุทั้งหลายธรรมชาติสามอย่างเหล่านี้แล ถ้าไม่มีอยู่ในโลกแล้วไซตตถาคตก็ไม่ต้องเกิดขึ้นในโลกเป็นอรหันต์ตะส ม, มาสัมพุท ธ, ธะและธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแล้วก็ไม่ต้องรุ่งเรืองไปในโลกเบิกสุขทั้งหลายเพราะเหตุใดแลที่ธรรมชาติสามอย่างเหล่านี้มีอยู่ในโลกเพราะเหตุนั้น ตถาคตจึงต้องเกิดขึ้นในโลกเป็นอรหันตะสัส ม, มาสัมพุทธะและธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแล้วจึงต้องรุ่งเรืองไปในโลกเพุทั้งหลายเราแลเป็นผู้ฉลาดในโลกนี้ฉลาดในเรื่องโลกอื่นเป็นผู้ฉลาดต่อวัตตะ อันเป็นที่อยู่ของมารฉลาดต่อวิวัตตะอันไม่เป็นที่อยู่ของมารเป็นผู้ฉลาดต่อวัตตะอันเป็นที่อยู่ของมริตยูฉลาดต่อวิวัตตะอันไม่เป็นที่อยู่ของมริตยูชนเหล่าใดถือว่าเรื่องนี้ควรฟังควรเชื่อ ข้อนั้นจกเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อกูลเพื่อความสุขแต่ชนทั้งหลายเหล่านั้นตลอดกาลนานทั้งโลกนี้และโลกอื่นตถาคตผู้ทราบดีอยู่ได้ประกาศไว้ชัดแจ้งแล้วทั้งที่ที่มานไปไม่ถึงและที่ที่มริตยูไปไม่ถึงตถาคต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 ทำให้หมดพิษสงแล้วเพ็กสุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงเป็นผู้มากมุ่งด้วยปราโมทปราถนาธรรมอันกเกษมจากโยคะเธอเพ็กสุทั้งหลายความสิ้นไปแห่งราคะความสิ้นไปแห่งโทสะความสิ้นไปแห่งโมหะนี้เรียกว่าความไม่ตาย หรืออมตะทางมิองแปดอันประเสริฐนั้นนั่นแหละคือขนทางให้ถึงซึ่งความไม่ตายได้แก่สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากรรมตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติ และสัมมาสมาธิภิกษุทั้งหลายในโลกนี้ไม่มีสิ่งใดๆเลยที่เมื่อเรายึดถืออยู่เราจะเป็นผู้หาโทษไม่ได้ภิกษุทั้งหลายเราเมื่อยึดถือก็ยึดถือซึ่งรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณ เพราะความยึดถือเป็นปัจจัยจึงมีภพเพราะมีภพเป็นปัจจัยจึงมีชาติเพราะมีชาติเป็นปัจจัยชรามรณนะโศกปริเทวะทุกขโทมนัตอุปายาสทั้งหลายจึงเกิดขึ้นความเกิดขึ้นพร้อมแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ ดูกรภิกษุทั้งหลายรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณล้วนเป็นสิ่งไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรแล้วหรือที่จะตามเห็นสิ่งนั้นว่า นั่นของเรานั่นเป็นเรานั่นเป็นตัวตนของเราเพศทั้งหลายเพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้เธอทั้งหลายเพศเห็นชอบตามที่เป็นจริงว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณ น, นั้น นั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่ใช่เป็นเรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเราดังนี้เพียรสุขทั้งหลายทางมีองค์แปเป็นทางอันประเสริฐกว่าทางทั้งหลายบทแห่งอริยสัจสี่ประเสริฐกว่าบททั้งหลายวิราคธรรมประเสริฐกว่าธรรมทั้งหลาย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 ทางเราบอกแล้วแกเธอทั้งหลายความเพียรเป็นกิจอันเธอทั้งหลายพึงกระทำตถาคตทั้งหลายเป็นเพียงผู้บอกผู้บุ่งปฏิบัติแล้วย่อมพ้นจากเครื่องผูกแห่งมารเมื่อใดบุคคลเห็นด้วยปัญญาว่าสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยง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 บุคคลเห็นด้วยปัญญาว่าทำทั้งหลายทั้งปวงเป็นอนัตตาเมื่อนั้นขอย่อมเบือนนายในสิ่งที่เป็นทุกข์นั่นแหละเป็นทางแห่งความหมดจดเป็นสุขทั้งหลายในหมู่มนุษย์ทั้งหลายผู้ที่ถึงฟังแห่งพระนิพพานมีน้อยนัก หมู่มนุษย์นอกนั้นเย่าวิ่งเลาะอยู่ตามฝั่งในนี้เองก็ชนเหล่าใดประพฤติธรรมสมควรแกรร่ทมในทารรมที่ตรัสไว้ชอบแล้วชนเหล่านั้นจักถึงฝั่งแห่งพระนิพพานข้ามผลบ่วงแห่งมัจจุราชที่ข้ามได้ยากนักจงเป็นบัณฑิตละทมดำเสีย แล้วเจริญทาข่าวจงมาถึงที่ไม่มีน้ำจากที่มีน้ำจงละกามเสียเป็นผู้ไม่มีความกังวลจงเย็นดีเฉพาะต่อพระนิพพานอันเป็นที่สงัดซึ่งสัตยินดีได้โดยยากบัณฑิตเพ่งชำระตนให้หมดจดจากกิเลสแห่งจิต เหมือนจิตของพวกที่อบรมดีแล้วโดยชอบในองค์แห่งปัญญาเครื่องตรัสรู้พร้อมทั้งหลายชนเหล่าใดแม่ยึดมั่นแล้วยินดีในความสลัดคืนซึ่งความยึดมั่นไม่มีกิเลสมีความรุ่งเรืองด้วยปัญญาชนเหล่านั้นเป็นผู้ดับเย็นในโลกดังนี้แหละ สาธุนะคะท่านฟังค่ะและนั้นก็เป็นพระสูตรขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระมาร์ชค า, าวโรแนะ้นำออกมาฝากค่ะจากหลายเล่มเลยใช่ไหมคะหลายเล่มเลยอภิยศัสตร์ปฏิจจพุทธประวัติแต่ว่าเป็นชุดจากพระโอษฐ์ทั้งนั้นใช่เป็นกรรมตัดของปุถุชนล้วนเป็นความตั้งใจเป็นพิเศษที่จะมอบให้เป็นสิริมงคลสําหรับวันขึ้นปีใหม่2553และ ทุกๆวันตลอดไปด้วยธรรมะของพระพุทธองค์วันนี้ก็นมัส ก, การขอบพระคุณทาา่าอาจารย์ไว้เป็นอย่างยิ่งค่ะเจริญพรถามโลกตอบธรรมท่านผูฟังคะท่านกำลังฟังรายการสันสนีสนทนานะคะเช้าตรู่เรามาพบกันแต่บางคนบอกว่าวันนี้เนี่ยยังไม่ได้นอนเลยนะตั้งแต่เมื่อคืน ซึ่งเป็นเรื่องปกติธรรมดาสำหรับคนที่ยังอยู่ในวัยกระชุ่มกระชวยยังมองโลกแบบสนุกสนานคลึกครื้นนะคะบางทีไม่ต้องเป็นช่วงเฉลิมฉลองแต่ทัานก็มีเพื่อนบางคนบอกว่าเนี่ยเหลืองไม่มากับบ้านไม่ถูกตอนแรกเราก็ไม่เข้าใจว่าอะไรเป็นภาษาวัยรุน่นวา่าพระยังไม่ออกบินทบาทนนี้ไม่ได้กลับบ้านเพราะว่าที่เที่ยวเลิกดึกแต่ไม่ว่าท่านจะเพิ่งกลับบ้าน เปิดฟังวิทยุหรือว่าตื่นเช้ามาเลยมารับสิริมงคลให้กับตัวเองเรามีสิริมงคลให้กับทุกคนโดยพระอาจารย์ไพบุญอภิปุลโนสําหรับวันปีใหม่วันที่หนึ่งมกราคม2553นห้าร้อยห้าิบสามนี้ค่ ะ, ะนักสักกาท่านค่ะนักสักการก ะ, ะรรวันนี้ก็วันปีใหม่อย่างที่เมื่อวานเราได้ <c oughs> ให้พรปีใหม่กันไปนะว่าให้เป็นผู้ที่มีความความสุขความโชคดีความสําเร็จพราะในการสุข การมีความสุขความโชคดีความสําเร็จเนี่ยหรือจะต้องมีที่ที่นําทางเราไปน ะ, ะสิ่งที่นําทางหรือว่าแสงไฟที่จะนําทางไปสู่ความโชคดีเนี่ยก็คือประทีปนั่นเองอย่างที่มีคําศัพท์ไว้รุ่นนะอ่าเหลืองไม่มากระบ้านไม่ถูกก็เอาเหลืองนี่แหละเป็นตัวนําแล้วกันเอาแสงไฟนี่แหละเนา ะ, ะประทีป พ, พรอยช่าง บ, บอกว่าให้เอาสิ่งที่เป็นประทีปเนี่ยก็คือเอาตัวเองเป็นประทีปเอาทําเป็นประทีป S <S <S เอาตัวเองเป็นสรณะเอาทำเป็นสรณะพวกเธอจงเป็นผู้มีตนเป็นประทีปมีตนเป็นสรณะไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสรณะมีธรรมเป็นประทีปมีธรรมเป็นสรณะไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสรณะอยู่เถิดนี่บอกอย่างนี้เพราะฉะนั้นปีใหม่นี้นต้องการความสำเร็จความสุขในชีวิตก็ให้เอาตัวเองเอาธรรมะเนี่ยไปใช้ในชีวิต <S <S ประจวันเอาธรรมะเนี่ยไปใส่ไว้ในตัวเองแล้วก็เหมือนจะใายไฟ์อกไป นะให้เรามีเส้นทางการเดินในปีนี้ตลอดปีห้าสามและ ต, ต่อไปเนี่ยให้ประสบความโชคดีความสำเร็จและความสุขโดยการมีสติอย่างที่ว่านี้นละยค่ะคือให้เข้าใจว่าถ้าอยากมีชีวิตที่เป็นสิริมงคลตามธรรมะของพระพุทธองค์นั้นไม่ต้องไปหาที่ไหนไกลนะคะคือเมื่อรู้ธรรมต้องนำเอามาใส่ตนเพื่อที่จะได้ให้เป็นประทีปส่องสว่างให้กับชีวิต ตลอดไปตลอดปีนี้แล้วปีถัดไปค่ะจงมีตนเป็นประทีปนะคะมีตนเป็นสารณะมีตนเป็นสารณะสรณะแ<ช>ปลว่าที่พึ่งใช่ค่ะประทีปแปลว่าแสงสว่างใช่ขึ้นกับตัวเองอันนี้ก็ถือว่าเป็นสุดยอดแห่งธรรมแล้วบางทีเราอาจจะที่ผ่านมานะคะเวลาคิดถึงที่พึ่งเนี่ยต้องนึกก่อนว่าพึ่งใครดี ส่วนใหญ่คิดไม่ออกก็พึ่งพ่อพึ่งแม่ก่อนนะคะแล้วก็พอหลังจากนั้นก็ไปพึ่งผู้หลักผู้ใหญ่ซึ่งมีอํานาจวาสนาบารมี<ช>แต่พอเรื่องบางเรื่องเนี่ยมันยากที่จะหาที่พึ่งหรือไม่รู้จะไปพึ่งใครทีนี้ก็ไปกราบไหว่สิ่งศักดิ์ส<ช>ิทธิ์ที่เราเคารพนับถือแ ล, แล้วแต่ว่าแต่ละท่านจะนับถืออะไรแต่ทั้งหลายทั้งปวงนั้นถ้าเป็นพระพุทธองค์แล้วเนี่ยนะคะสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุด ก็คือการกระทำตามธรรมของตัวเองอย่างนี้นเหรอคะใชะเเ่เอาธรรมเป็นเอาธรรมเป็นหลักเป็นประทานเอาธรรมเป็นประที่ค่ะวันนี้ก็ขอให้ท่านทั้งหลายนะคะได้ตั้งอกตั้งใจเริ่มต้นปีใหม่กันให้ถูกต้องตามที่ควรจะเป็นศาสนาพุทธเราไม่ผูกขาดนะคะหรือหรือว่าบังคับว่าจะต้องเชื่อตามที่บอกอแต่ว่าเป็นธรรมะที่เพ่งพิสูจน์ได้ แล้วก็รู้ได้เองเมื่อท่านได้พบเช่นนั้นแล้วนะคะก็ขอให้น้อมนำเอาอไปใช้ให้เกิดประโยชน์ละกันนะคะรายการนี้สันสนิสนทนาทางสถานีวิทยุ FM 106ก็ขอให้ทุกท่านมีชีวิตที่มีธรรมคุ้มครองตนตลอดไปวันนี้เราคงจะต้องอน้ำมสการขอบพระคุณพระอาจารย์ไพบูลอ์พี่ปุณโญไว้ก่อนนะคะแล้วก็สำหรับท่านผู้ฟังทุกๆ ท, ท่าน ติดตามรับฟังรายการกันได้ใหม่เช่นเคยเราปีใหม่ปีเก่าก็ยังอยู่พบกับท่านฟังวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะสําหรับวันนี้สวัสดีปีใหม่ค่ะติดตามการเข้าถึงหลักแห่งความเป็นจริงและวิถีแห่งการหลุดพ้นได้ในสรนสนิยสนทนาเวลา5้านาฬิกาทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์กับสรนสนิยนาคพงศ์ที่นี่ ชอทร FM 1 0 6วิทยุครอบครัวข่าวเข้าใจทุกข่าวเข้าถึงทุกคน